คุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างชา ย, ยันถามยังเป็นห่วงเต็มที่พารนใหญ่เอามือกลุ่มบาดแผลตรงรอยที่ชา ย, ยันมัดไว้คงไม่เป็นไรนักหรอกครับตอนนี้ผมยังชาเป็นหมดว่าแต่กระทิงตัวนั้นเถอะหลังจากที่มันชนผมกวิ้งไปแล้วชา ย, ยันถอนใจเฮือกโครงหัวมันวิ่งเลยผ่านคุณไปตั้งเจ็ดแปดเก้าแล้วก็หวนกลับมาอีตอนนี้เองที่ผมได้สติผมยิงมงนันทนั้งที่นั่งจ้ำเบ้าอยู่นั่นแหละนัดแรกเขาซ้อขาหน้า พอมันซุดผมก็วิ่งเข้าไปซ้ำกลางหน้าผาจ่อยิงเลยระพินพยุงตัวลุกขึ้นสะบัดแขนขาสำรวจร่างกายตนเองอีกครั้งพบว่านอกจากบาดแผลที่ถูกเหยียบเฉียดจนเนื้อฉีกออกไปแล้วเขาไม่ได้รับอันตรายชิ้นใดอีกถ้าไม่ได้คุณชัยยันป่านนี้ผมคงเสร็จไปแล้วระพินพูดเบาๆพร้อมกับหัวเราะขณะที่เข้ามายืนสารวจอยู่ที่ซากกระิงผู้เกือบจะเป็นมัจจุราชสาหรับเขา อดีตในพระทหารปืนใหญ่จ้องตาเขาอย่างลึกซึ้งยิ้มให้พร้อมทั้งโอบแขนกอดรอบไหล่ของพลานใหญ่ไว้ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ใช่หรือที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้คุณมัวแต่มาพวงอยู่กับเสือที่กำลังจะถลกหนังหัวผมตัวคุณเองถึงได้เจ็บตัวเช่นนี้ผมเสียใจจริงๆผมควรจะยิงมันได้ทนันก่อนที่มันจะวิ่งเข้ามาถึงคุณแต่ในขณะนั้นมันตลึงไปหมด ความผิดทั้งหลายแหลที่เราเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดทั้งสองคนขอสารภาพว่าตกอยู่ที่ผมคนเดียวครับทั้งๆที่ผมบอกคุณเชยันแล้วว่าเราต้องหมายกระทิงเป็นเป้าแรกแต่ตัวผมเองกับดันไปยิงเสือที่กระโดดกัดคอมันเสียก่อนขณะนั้นมีความรู้สึกยังไงขึ้นมาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วทั้งสองชายก็หัวราให้แก่กันอีกครั้งสายตาที่มองดูกันเท่านั้นมันบ่งความหมายของความรู้สึกที่มีต่อกันแจ่มชัด เกินกว่าที่จะเป็นเ อ, อิดเป็นคําพูดใดๆออกมาอะไรก็ช่างเถอะผมเป็นห่วงเรื่องบาดแผลของคุณเหลือเกินเราควรจะกลับให้ถึงแคมป์โดยเร็วที่สุดเพื่อจัดการเรื่องบาดแผลนั่นคุณพอจะเดินไหวไหมโทอเรื่องแรกสําหรับผมเหลือเกินครับโปรดอย่าวิตกไปเลยผมยังพอจะเดินได้อย่างสบายแต่นี่มันเย็นเต็มทีแล้วผมตั้งใจไว้ว่าเราจะนอนกลางดงกันสักคืนหนึ่งก่อน พรุ่งนี้เช้าค่อยออกเดินทางเพราะถ้าจะกลับแคมป์กันในวันนี้ก็ต้องเดินกลางคืนและไปถึงแคมป์หลังเที่ยงคืนไปแล้วเดินตามรอยมาไกลไม่ใช่น้อยชายยันโครงศีรษะช้าๆมองตะพรานใหญ่นิ่งไม่เหมาะหรอกกระพินบาดแผลของคุณไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยควรจะให้น้อยช่วยจัดการให้เร็วที่สุดถ้าหากว่าเรามีทางจะกลับไปถึงแคมป์ได้นอกจากจะจําเป็นโดยคุณเดินไม่ไหวจริงๆ ปล่อยทิ้งเช้าไว้แม้แต่สักคืนเดียวมันอาจไปกันใหญ่ก็ได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะให้ผมพักหรอกว่าแต่ในเวลากลางคืนคุณพอจะหาที่หมายกลับแคมป์ได้ถูกหรือไม่เท่านั้นถ้าไม่แน่ใจกลัวว่าจะหลงก็เป็นเรื่องจําเป็นที่เลี่ยงไม่ได้ไอหลงนะ่าไม่หลงหรอกครับแต่ผมไม่อยากจะพากุญชา ย, ยานเดินกลับในเวลากลางคืนจึงคิดว่าจะพักนอนเสียคืนหนึ่งก่อนค่อยกลับรุ่งเช้า ถ้าคุณไม่ได้รับบาดเจ็บผมก็อยากจะนอนกลางป่า ก, กับคุณเหมือนกันแต่นี่ผมต้องการให้คุณไปถึงแคมป์และได้รับการรักษาเยียวยาโดยเร็วที่สุดเราไปถึงสักเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ยังดีกว่าจะไปถึงบ่ายของวันพรุ่งนี้ทิ้งเวลาให้นานออกไปเท่าไรแผลของคุณก็จะยิ่งมีอันตรายมากขึ้นแค่นั้นเราค่อยๆเดินไปตามสบายก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องรีบร้อนอะไรนักเดินกลางคืนสบายกว่ากลางวันเสียอีกไม่ร้อน ทั้งนั้นก็สุดแล้วแต่คุณชยยันเถิดครับชัยยันตกไรและบินอย่างรักใคร่สนิทใจยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะนั้นมันเป็นเวลา 17.00 นเศษอเอากาศเริ่มจะขมุกขมัขขมวลงอย่างรวดเร็วนี่ก็เย็นเต็มทีแล้วเดี๋ยวเราจัดการหุงหาอาหารกินกันเสียที่นี่เลยนั่งพักอีกสักครู่พอเริ่มมืดก็ออกเดินป่านนี้แช่ถากับน้อยคงจะเป็นห่วงเราแย่ยแล้วทั้งสองหยุดพักกันที่นั่น ก่อไฟขึ้นย่างเนื้อกินเป็นอาหารรองท้องสนทนากันไปพางชายยานหมั่นสังเกตอาการและถามถึงบาดแผลของผานใหญ่อยู่ตลอดเวลาด้วยความกังวลแต่ระพินบอกว่าไม่เป็นอะไรมากมายนักชายยานค้นเป้หลังหายาระงับประสาทที่มีติดตัวอยู่ให้เขากินประทางไปพางๆางก่อนขณะนี้เลือดพอจะหยุดรงแล้วแต่ไหลซึมผ่านผ้าขาม้าที่พันไว้ออกมาเป็นดวงใหญ่ พอตะวันรับเปลี่ยมเขามืดสนิทก็ออกเดินทางจากที่นั่นบ่ายหน้ามุ่งกลับแคมป์ระพินนำไปในความมืดมิดราวกับเผลนรกรอบด้านนั้นโดยอาศัยแสงไฟฉายช่วยในบางขณะเท่านั้นและสั่งให้ใช้ยยานสึงวนแบตเตอรี่ไฟฉายของตนเองไว้ไม่ให้ใช้สองหมดเปลืองไปโดยไม่จำเป็นโดยการเดินกันไปอย่างไม่เร่งฝีเท้าอะไรนะักแต่ก็ไม่มีการหยุดพักเลย ทั้งสองกลับมาถึงบริเวณอันเป็นที่ตั้งแคมป์หลังเที่ยงคืนไปเล็กน้อยระพินหยุดอยู่ในระยะห่างแคมป์พอสมควรเมื่อมองเห็นกองไฟที่รายล้อมอยู่ว่องแวมกู่เป็นสัญญาณเตือนให้พวกในแคมป์ได้รู้ตัวร่วงหน้าก่อนพร้อมกับฉายไฟฉายวแบแวบเข้าไปเพียงอึดใจเดียวก็มีเสียงกู่รับออกมาเขาจึงพยักหน้าชวนชยันให้เดินเข้าไปพรานพื้นเมืองของเขาทั้งสคนและพวกลูกหาเป็นส่วนมากยังไม่มีใครหลับนอนกัน ต่างพลูกันออกมารับพร้อมกับคําถามแซดชายยันยังไม่พูดกับใครทั้งสิ้นเฮีวแขนระพินซึ่งทําท่าจะนั่งพักลงยังบริเวณ เ, เ, เบื้องนอกตรงเข้าไปในกระโจมโดยเร็วซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เชิฐาและดารินแหวกกระโจมสวนออกมาอย่างรีบร้อนลักษณะท่าทีของราชนิกูลสองพี่น้องแสดงว่ายังไม่มีใครหลับนอนลงเลยพอเห็นชายยันกับพรานใหญ่โผกลับมาถึงแคมป์กลางดึกในลักษณะสะบักสะบอมอิดโรย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระพินมีผ้าของม้ามัดพันอยู่ที่หน้าอกและรอยเลือดเต็มผ้าเช่นนั้นทั้งสองก็เต็มไปด้วยความตกใจน้อยช่วยดูบาดแผลให้ระพินหน่อยเขาถูกกระทิงเหยียบชัยยันพูดเคร่งขึมตัดบทมาเป็นประโยคแรกโดยไม่สนใจกับคำถามที่ประดังพรั่งพรูมาจากสองพี่น้องแล้วนำระพินเข้าไปในกระโจมโดยเร็วบุญคาเกิดจันและเซย ก็แถลงพลวดตามเข้ามาในกระโจมด้วยความเป็นห่วงเจ้านายของพวกเขารวมทั้งต้องการรู้เรื่องพวกลูกหาบก็พากันมาออเต็มอยู่หน้าเต็นท์ทุกคนภายในแคมป์ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยความพิศวงและคนตหนกที่เห็นลักษณะของพรานใหญ่ที่กลับมาพร้อมด้วยอาการบาดเจ็บทุกคนออกไปเถอะฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกไม่ต้องเป็นห่วงประเดี๋ยวจะออกไปพบพรานใหญ่หันไปบอกกับคนของเขาด้วยสีหน้าเรียบเรียบ ผานพื้นเมืองทั้งสี่ที่พากันมามุงล้อมเขาอยู่ในขณะ น, นี้ก็พากันออกไปจากแคมป์อย่างไม่เต็มใจนักคงเหลือแต่งแง่ทรายอันเป็นคนใช้ประจําเต็นต์คนเดียวเท่านั้นที่ยืนมองดูระพิน ด, ด้วยสายตาพิศวงเงียบขรึมอยู่หน้าประตูเต็นต์ไม่มีปฏิกิยาตื่นตโนธใดๆทั้งสิน้นผิดไปกว่าทุกคนในขณะนี้ชัยยันทําหน้าที่อธิบายเชษฐาและดารินทราบเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคร่าวๆ รพินจะชวนฉันนอนกลางดงอีกคืนหนึ่งด้วยซ้ำนะตั้งใจจะกลับในตอนเช้าแต่ฉันบอกให้กลับในคืนนี้ให้ได้เพราะเป็นห่วงเรื่องบาดแผลของเขาเจ้าตัวบอกว่าเรื่องเล็กแต่ฉันเห็นว่ามันจะกันอยู่ไม่น้อยอดีตนายพันตีกล่าวสรุปขึ้มๆในตอนท้ายคงไม่เท่าไหร่ตามที่เจ้าตัวเขาว่ากันมั้งทาไมงานก็คงไม่เดินกลับมาถึงแคมป์นี้ได้ระพินเอ่ยขึ้นรายๆยิ้มมุมปาก ซึ่งตรงกันข้ามกับสีหน้าอันเคร่งเครียดเต็มไปด้วยความวิตกกังวลของพี่ชายในขณะนี้แล้วก็ออกคำสั่งให้รพินถอดเสื้อซึ่งเชษฐากับชัยยันทาหน้าที่ในการช่วยปลดผ้าพันแผลและถอดเสื้อให้เขาอย่างกุลีกุจอรอนเข้ามาตรวจ บ, บาดแผลแล้วผิวปากฝืด อ, ออกมาเบาๆแววตาที่จ้องหน้าเขามีประกายประหลาดแง่ท า, ายร่างสูงใหญ่ของหนุ่มกระเรียงพนเจนจรก้าวสูเข้ามาพร้อมกับเสียงขานรับ ห้าวห้าผมอยู่นี่นายหญิงต้มน้เข้ากาหนึ่งแง่า ย, ายพระหายออกไปนอกกระโจมไปนอนที่เตียงนั่นหลอนออกคำสั่งอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นคำสั่งที่มีกับระพินพรานใหญ่ลุกขึ้นจากโต๊ะสนามกลางที่นั่งอยู่เดินไปนอนที่เตียงโดยดีดารินทำเพลงเบาๆนิรำคอเดินไปรื้อค้นอะไรกักอยู่ที่หีบสัมภาระอย่างใจเย็น ตลอดเวลานี้ชายยันก็เล่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเขาได้รับพินให้เชิฐาผู้สอบซักถามอยู่ไม่หยุดปากฟังอย่างละเอียดครูใหญ่หล่อนก็เดินกลับเข้ามาพร้อมกับหีบเวชภัณฑ์วางลงบนม้าใกล้ๆจัดเตรียมอะไรง่วนอยู่เท่าที่รับพินเรือเห็นซึ่งก็พอดีกับที่สายตาของหล่อนชมเลืองมองเขาอยู่ก่อนแล้วเขาเห็นหล่อนล้วงมีดผ่าตัดกับคีมใหญ่ออกมาปาดรูปกันไปมา ทำเสียงกริ่งกลางเหมือนจะแกล้งข่มขวัญให้สยองใจเล่นงั้นแล้วก็วางมีดกับกีมลงงัดเข็มฉีดยาอันเบเลอร์ออกมาทำเป็นสองดูกับแสงตะเกียงเจ้าพายุปากคงฮัมเพลงหน้าตาเฉยแล้วพูดรอยๆเนิบๆขึ้นว่าตัดเนื้อจากขามาปากแล้วเย็บร้อยสิบสองเข็มเอ็นสำหรับเย็บก็ไม่ได้เอามาด้วยสิ แต่ไม่เป็นไรรั่วสาหรับทําเป็นราวตากผ้าในเต็นท์นี่ก็พอเห็นจะพอแทนกันได้เชษฐากับชายยาันไม่ทันจะสนใจได้ยินเพราะมัวแต่พูดกันอยู่ด้วยอาการตื่นเต้นแต่ระพินได้ยินถนัดแทบจะสําลักกาแฟที่แง่าสายเป็นคนนํามาส่งให้พอน้ําเดือดและแง่าสายหิ้วมาส่งให้หล่อนก็บอกให้ทั้งเชษฐาและชายยาันถอยห่างออกมาตนเองพับถลกแขนเสื้อขึ้นช้าช้าเดินเข้ามาหยุดยืนตรงหน้าเขา ซึ่งบัตรนี้ทั้งเพื่อนชายและพี่ชายปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหลอนโดยเฉพาะคงมีแต่งแง่ทายเท่านั้นที่ได้รับคำสั่งให้ยืนอยู่ใกล้ๆคอยช่อเหลือหยิบนู่นส่งนี่ลุกขึ้นนั่งทำไมนอนลงสิหลอนวางสีหน้าขึงขังดุระพินรบพินเป่าลมออกจากปากเบาๆพึมพำแหมยังกับหมอโรงพยาบาลแผนกคนไข้อนาถาเสียงของเขาได้ยินเพียงสองต่อสอง อ๋อไม่ต้องห่วงยิ่งกว่าอีกร่อนตอบแผลต้องเย็บนะแล้วก็บอกกล่าวซสก่อนด้วยว่าไม่มียาชาจะฉีดให้ก่อนเย็บแต่ไม่เป็นไรหมอคนนี้อนุญาตให้คนไข้ร้องได้ในเวลาเจ็บเอาเถอะครับเอายังไงก็เอากันจะเอามีดผ่าตาัดเฉือนกระเดือกคนไข้คนนี้สีก็ยังได้หมอมรชวงหญิงดาลินหัวเราะรูรมือเข้าหากันอย่างหมายมั่นปั้นมือ แล้วแผ่วเสียงกระซิบขณะที่ก้มลงพิจารณาดูบาดแผลที่สีข้างของเขาอีกครั้งเหมาะเหลือเกินรอโอกาสนี้มานานแล้วทีนี้ก็เห็นจะเป็นทีของฉันบ้างสินะเชิญตามสบายเลยครับทำใจดีๆไว้แล้วก็อโหสิให้ด้วยขอสารภาพตามตรงว่าเรื่องผ่าตัดฉันไม่สู้จะชำนาญมาก่อนเคยผ่าคนไข้าตายคามือมา9ก9คนแล้วครับ เรพินภายวันคงจะได้เป็นคนที่ผ่านพอดีไม่เป็นไรหรอกครับตั้งแต่ผมยอมรับจ้างนำทางมาในครั้งนี้ก็ไม่ได้มาคิดกังวลถึงชีวิตตนเองอยู่แล้วยอมสละเป็นพรีหญิงสาวอมยิม้มเลิกคิ้วงามขึ้นน้อยๆ น, น้ำเสียงที่ถามต่อมามีกังวลจริงจังขึ้นรู้สึกเป็นยังไงบ้างทีแรกมันชาเขาสารภาพตามตรงแต่เดี๋ยวนี้ปวดเหลือเกินระบมไปหมดเอ แต่ก็ยังเห็นเฉยๆอยู่นี่นะเหมือนไม่เป็นอะไรเลยงั้นแหละคุณหญิงไม่ได้ยินเองผมคลางโอ้ยอยู่ในใจดาลินตวัดทั้งตาคอนริมฝีปากยังเจือไปด้วยรอยยิ้มหล่อนเริ่มจัดการกับบาดแผลของเขาอย่างแคล้วคล่องว่องไวและด้วยมืออันปราหนีตแผ่วเบาชำระร้างบาดแผลค่าเชือ้อยาฉีดเข็มแรกเป็นยาชาก่อนที่จะลงมือเย็บเข็มที่สองเป็นยาการบาดทะยัก ตลอดเวลาที่มืออันนุ่มนวลแผ่ระมูลจัดการอยู่กับบาดแผลที่สีข้างของเขาระพินมองดูหลอนเงียบๆใบหน้าของหลอนห่างจากเขาในระหว่างที่ง่วนอยู่กับบาดแผลนั้นเพียงชั่วคือจนกระทั่งได้กลิ่นกายและไอตัวของกันและกันถนัดครั้งหนึ่งหลอนเหลือบตาขึ้นพบตาของเขาที่มองนิ่งอยู่ก่อนแล้วใบหน้างามนั้นซ่านไปด้วยเลือดสีชมพูอ่อนหลอนหลบตาลงมาจับอยู่ที่บาดแผลตามเดิม เสพผู้เสียงต่ำๆโดยไม่มองหน้าทีนี้คุณเห็นหรื อ, อยังล่ะการที่มีหมอติดมาด้วยสักคนแม้ว่าหมอคนนั้นจะเป็นผู้หญิงที่เคยคิดว่าจะเกะ ก, กะเป็นภาระราเสียเหลือเกินจนถึงกับกีดกันต่างๆนานาไม่ได้เห็นคุณอย่างเดียวแต่ยังทราบซึ้งในพระคุณอีกด้วยตางามคู่นั้นชายขึ้นสพเขาอีกแว บ, บหนึ่งแล้วก็ให้ยากินเป็นลาดับสุดท้าย เชษฐถาก็ถามข้ามโต๊ะมาว่าเป็นยังไงบ้างน้อยบาดแผลของรพินหล่อนลุกขึ้นยืนต่อพี่ชายหน้าตาเฉยว่าปลอดภัยเรียบร้อยดีค่ะถ้าบาดทะยักไม่กินเสียก่อนเชิฐถาเข้าใจดีว่านั่นเป็นการพูดตามนิสัยของน้องสาวถอนใจออกมาได้โล่งอกพรานใหญ่ลุกขึ้นจากเตียงคว้าถ้วยกาแฟเดินเข้ามาสมทบกับชายาและเชษฐาที่นั่งคุยกันอยู่ก่อน คุณคงอ่อนเพลียและเจ็บแผลมากนอนพักสียเถอรพินนอนเสียที่เตียงนั่นแหละหัวหน้าคณะเดินทางบอกมาจอมพรานยิ้มอ่อนโยนไม่หรอกครับผมรู้สึกเรียบร้อยดีแล้วแล้วเขาก็ร่วมวงสนทนากับคณะนายจ้างดาลินสั่งให้แง่สายจัดการต้มข้าวต้มขึ้นกลางดึกนั้นเมื่อสังเกตเห็นทั้งชายยานและระพินพากันเพิ่งจะกลับมาถึงด้วยความอิดโรยสะบักสะบอมชายยานนั้นเม่รู้แน่ว่า บาดแผลของรบยินได้รับการเยียวยาที่ถูกต้องปลอดภัยแล้วก็เบาใจลงนอนแผหลาด้วยความอ่อนเพลียหมดเรี่ยวหมดแรงแต่ยังร่วมอยู่ในการสนทนาบรรยายถึงเหตุการ์ตื่นเต้นหวาดเสียวที่เผชิญกับกระทิงลำบากและเสือรายพลาดก่อนทั้งฝูงที่แทรกแซงเข้ามาแต่ในครั้งนี้บรรยากาศอันเคร่งเครียดเริ่มเปลี่ยนเป็นเรื่องคลื้นเครงขบขันผมกับน้อยยังไม่นอนกันเลยสักทีเดียว เชิดถาว่าหันไปทางพรานใหญ่ตอนที่เราแยกกันที่ปากด่านก่อนเที่ยงโดยผมกับน้อยกลับมาแคมป์และคุณกับชายยันออกตามรอยมันไปพวกเราทั้งหมดรอคอยฟังข่าวกันด้วยความกระสับกระส่ายยังไงบอกไม่ถูกยิ่งเย็นลงจนกระทั่งขําคุณกับชายยันยังไม่กลับมาเราก็ยิ่งเป็นห่วงตอนที่คุณโผลกลับมานี่ผมกับน้อยกําลังนั่งบ่นถึงอยู่ทีเดียวและคืนนี้ถ้ายังไม่กลับผมคงจะนอนไม่หลับทั้งคืน ก็ว่าจะไม่กลับเหมือนกันแหละถ้ารับพินไม่บาดเจ็บเสียก่อนชัยยันตอบแทนระหว่างนั้นทั้งหมดกำลังรอคอยข้าต้มกลางดึกของแง่ทรายสู่ปุรี่และดื่มกาแฟกันไปพางเก่งมากชัยยันที่แกสามารถล้มกระทิงลำบากตัวนั้นได้ด้วยมือของแกเองสมกับที่ตั้งใจไว้ฉันกับน้อยทายกันวิว่าไปไปมาๆก็เห็นจะต้องเป็นรับพินนั่นแหละที่จัดการกับมันแต่แกก็ทาได้สาเร็จ เชี่ถาพูดยิ้มยิ้มชายยันถอนใจเฮือกลับตาลงอย่างอ่อนใจมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ฉันก็นึกไปไม่ถึงเหมือนกันแล้วพินเองสั่งฉันไว้นักหนาะให้หมายกระทิงเป็นเป้าแรกแต่ตัวเขาเองกลับยิงเสือเสียแล้วก็ต้องยิงไอตัวที่สองอีกเพื่อช่วยชีวิตฉันไว้ไอตอนนี้เองที่ทําให้เขาเกือบสิ้นชื่อเพราะความแต่มัวตะลึงของฉันถ้าเป็นแกแล้พินอาจไม่เจ็บก็ได้ แกคงจะยิงกระทิงตัวนั้นได้ทันก่อนที่มันจะวิ่งเข้าใส่ระพินทางด้านหลังก็ยุติธรรมดีแล้วนี่ที่ต่างคนต่างเซฟชีวิตของกันและกันไว้คนละลักษณะดาลินเสอรมาหัวเราะเบาๆแต่ฉันกับพี่ใหญ่คิดไม่ถึงเลยว่าพรานใหญ่จะกล้าพาเธอเดินตัดดงมาในเวลากลางคืนระยะไกลถึงขนาดนี้น่ากลัวออกเธอไม่ปอดหรอกหรืองมกันมามืดๆกลางดงลึกระยะทางเดินทั้งห้าหกชั่วโมงอย่างนี้ ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันแหละกำลังใจดียุ่นหน่อยในข้อที่ว่ามากับเจ้าถิ่นอย่างรพินอันว่าที่จริงเดินในเวลากลางคืนไม่ค่อยจะเหนื่อยนักรู้สึกว่าจะกลับมาเร็วกว่าคิดเสียอีกอย่างอื่นไม่กลัวหรอกกลัวเดินสวนกับโขงของไอ้แหวงแล้วต่างคนต่างวิ่งนี่นาสิพอพลัดกับรพินฉันก็คงจะมังงุ ม, มาลาหลาอยู่คนเดียวหาทางกลับแคมป์ไม่ได้กลายเป็นทาสารไปเสียเท่านั้น ตอนที่นั่งห้างกับพรานใหญ่เมื่อคืนวานหญิงสาวว่าชายหางตาไปทางระพินแกล้งพูดทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ดีอยู่แล้วหลังจาะยิงกระทิงได้แล้วฉันชวนเขาให้เดินกลับแคมป์ในเวลากลางคืนแต่เขาไม่ยอมอ้างโน่อนอ้างนี่สารพัดแต่พอถึงคราวจำเป็นเข้าจริงๆเพราะตัวได้รับบาดเจ็บจะรีบกลับมาให้ถึงมือหมอโดยเร็วก็พาเธอเดินกลับในเวลากลางคืนได้ที่แท้ความจริงก็จะแก้งให้ฉันต้องหลังขดหลังแข็งอยู่บนห้าง บางทีจะคิดว่าแก้งทำเสียเข็ดกำมังข่าวหลังจะได้ไม่ต้องรับตามไปด้วยรพินจิบกาแฟเฉยเหมือนจะไม่สนใจกับคำพูดของร่อนแต่ชายานกล่าวมาว่าฉันก็บอกอยู่แล้วว่าฉันเองแหละที่เป็นคนชวนรพินกลับตัวเขาอยากจะนอนกลางดงสักคืนสำหรับเธอนะผิดหลักมากที่คิดจะให้รพินพาลงจากห้างเมื่อคืนวานเพราะไม่มีความจำเป็นอะไรเลย และที่เขาไม่ยอมพาเธอกลับก็เพราะไม่ต้องการเอาเธอมาเสี่ยงแม้แต่นิดเดียวพี่ชายก็หันขวับไปทางน้องสาวถามตำต่ำว่าอะไรเราเนอเหรือจะให้รพินพากลับแคมป์กลางดึกทั้งๆ ท, ท, ที่นั่งอยู่บนห้างดอนยิ้มเจือญเจรทำไมคะจะเป็นไรนักเชียวน้อยไม่อยากจะนั่งทรมานอยู่บนห้างเพราะยิงกระทิงได้สมตั้งใจแล้ว ถ้าพรางใหญ่พาน้อยกลับมาแคมป์ตามที่น้อยต้องการในเวลากลางคืนนั้นเขาก็คงจะเซียวพอๆกับน้อยนั่นแหละแง่าสายต้มข้าวต้มเสร็จนำเข้ามาให้ทั้งสี่ร่วมวงการรับประทานและคุยกันไปพางกับข้ามีพวกเนื้อเค็มทอดและเครื่องเค็มกระป๋องมันเป็นอาหารกลางดึกมื้อแรกที่คณะนายจ้างสั่งให้ทําขึ้นเพื่อต้อนรับการกลับคืนมาอย่างอิจโตรยของชายยันแรดพิน ครั้งนี้เห็นจะเป็นครั้งที่สองแล้วสิที่กระทิงชาร์จเอาคุณกืบตายเชิฐาเอ่ยขึ้นพรานใหญ่หัวเราะเบาๆครับคราวนี้ถ้าไม่ได้คุณชายยันผมก็เห็นจะไม่มีโอกาสได้นำทางให้คุณชายต่อไปได้อีกแล้วตอนที่ถูกมันชาร์จจนล้มลงไปผมหมดสติไปครู่หนึ่งไม่มีทางที่จะช่วยตัวเองได้เลยก็ชายยันนี่นะและวิ่นรากเสียงเย้าวเพื่อนชาย รับรองว่าถ้าเป็นฉันคุณจะไม่เจ็บตัวเลยฉันต้องยิงมันในทันทีที่ในขณะที่มันวิ่งเข้าใส่คุณข้างหลังก่อนที่จะทันมาถึงตัวหรือไม่งานก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยทั้งสองคนพอมันเหยียบพระผินเสร็จแล้วก็คงหันมาเหยียบน้อยแหลกไปอีกคนพี่ชายขัดชา ย, ยันหัวเราะไม่ถือสาพราะรู้นิสัยช่างกัะซา้าเย้าแย่ดีอยู่แล้วพยักหน้ารับว่าจริงฉันเชื่อ เห็นตัวเองโชคดียิงกระทิงได้สบายๆเลยคุยใหญ่นะพางเขาก็หันไปทางจอมพรานมองด้วยประกายตาแจ่มใสสนิทใจในชีวิตที่หากินอยู่กับสัตว์ป่ามานานนอกจากกระทิงคุณเคยบาดเจ็บกับสัตว์ชนิดไหนอีกบ้างไม่เคยครับนอกจากสัตว์เล็กๆที่ผมพยายามจะจับมันในขณะที่มันติดข่ายหรือกรงดักเผลอๆมันก็กัดเอาบ้างเหมือนกันแต่ไม่ชะกันอะไรนะัก รายการล่ากระถิ่งของเราพอหอมปากหอมคอกันแล้วน้อยยิงได้ตัวหนึ่งชายยานตามยิงได้อีกตัวหนึ่งรวมทั้งมีเรื่องตื่นเต้นจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดผมเห็นว่าควรจะยุติเพียงพอแล้วถึงแม้ผมจะไม่มีโอกาสยิงได้ด้วยตัวเองก็ช่างมันเถอะแปลว่าคุณชายจะให้เดินทางต่อหรือครับหรือคุณเห็นยังไงสุดแล้วแต่จะสั่งเถิดครับผมเองก็เป็นห่วงเรื่องการไปให้ถึงหล่มช้างเสียโดยเร็ว เพื่อจะเริ่มต้นเดินทางแท้จริงเสียทีพรานใหญ่ตอบอย่างสุภาพตามโปรแกรมเดิมของคุณอันดับต่อไปก็คือการล่าเสือเมื่อไปถึงห้วยใหญ่ทองหัวหน้าคณะเดินทางกล่าวเนิบๆจุดกล้องสูบสีหน้าเคร่งขึมลงแต่ผมคิดว่าเราผ่านรายการนี้ไปเสียเถอะตลอดระยะทางที่เราผ่านมาเราประจันหน้ากับเสือแล้วก็ล่ามันอยู่ตลอดเวลาแล้ว การจะหมายร่ามันจริงจังตามโปรแกรมเดิมคงไม่ทําให้มีรสชาติอะไรนักเพราะชาชินเสียแล้วและถ้าไม่ติดเรื่องไอ้แหวง่งผมก็อยากจะมุ่งตรงไปหล่มช้างเลยทีเดียวแล้วแกจะเอาอยัางไงชายยันหันไปถามสหายของเขาฉันคิดว่าเริ่มต้นแต่พรุ่งนี้ระวางแผนตามไอ้แหวงให้จริงจังได้แล้วล้มมันได้เร็วที่สุดล้มมันได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะเริ่มต้นการเดินทางที่หล่มช้างของเราได้เร็วขึ้นเท่านั้น พร้อมกับพูดหัวหน้าคณะเดินทางมองมายังพรานใหญ่เหมือนจะขอความเห็นรปินจุดบุรี่สูบนิ่งไปครู่ก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันครับแต่ผมยังไม่กล้ารับรองแน่นอนว่าการตามล่าไอ้แหว่งจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละปล่อยมันไว้ไม่ได้หรอกเรื่องนี้ผมถือเป็นหน้าที่โดยตรงทีเดียวอาจเลิกล้มความตั้งใจไปแล้วถ้าหากว่ามันไม่ขยี่ลูกหาบของเราสักคนหนึ่งและผมได้ล้านปากไปแล้ว เชื่อผู้เสียงหนักแน่นมั่นคงภายในโต๊ะสนามที่นั่งรวมกันอยู่ทั้งสี่คนพากันเงียบไปครู่ใหญ่ชัยยันปิดปากหาวเอายังไงก็เอากันชั้นนะได้ทั้งนั้นแต่บอกตรงๆว่าสองสมวันที่แล้วมานี่จิตมันประวัติถึงอนุชาทีกัชั้นอย่างไรพิโกนฝันถึงเขาติดติดกันมาสองคืนแล้วเราเจตนามุ่งหมายที่จะออกติดตามค้นหาเขาแต่ดันมาโอเอกันอยู่นี่เอง จริงด้วยค่ะพี่ยายดาลินสอดมาแผวเบาสีหน้าของรอนสลดลงก่อนจะนอนหลับหลายคือติดๆดกันมาแล้วน้อยพววงคิดถึงแต่เรื่องพี่กลางน้อยคิดว่าถ้าเราออกเดินทางจากกล่มช้างได้เร็วที่สุดก็ดีแล้วรอนก็มองไปทางเพื่อนชายถามว่าเธอฝันถึงพี่กลางยังไงช ย, ยันอดีตนายทหารปืนใหญ่อาปากหาวยาวอีกครั้ง ลุกขึ้นจากโต๊ะสนามเดินไปทิ้งตัวลงนอนแผ่ที่เตียงของเขาฉันฝันเห็นเขายังมีชีวิตอยู่หนวดคราวลุงรางผอมโซทีเดียวในฝันว่าเขาอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่าทึบแผงหนึ่งริมลำธารกระท่อมนั้นปลูกอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในฝันว่าเราทั้งหมดตามไปพบเขาตะโกนเรียกเขาแต่เขาเหมือนจะไม่ได้ยินมันอาจเป็นเรื่องของจิตพวงกลุ้นคิดก็ได้เลยทาให้ฝันไป ทุกคนพากันเงียบงันกันไปอีกในที่สุดเชษฐาก็เอ่ยขึ้นแหบต่ําฉันก็เป็นห่วงเจ้ากลางไม่น้อยไปกว่าแกรหรือน้อยนั่นแหละแต่ลืมเสียแล้วหรือว่าแกกับน้อยนั่นแหละที่อยากจะถือโอกาสล่าสัตว์ไปด้วยซึ่งฉันไม่อยากจะขัดใจแต่ถึงเราจะห่วงเรื่องการติดตามเขาสักเพียงไรก็ตามเรามีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดการกับไอ้แหวงให้สําเร็จลงก่อนชนิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันเป็นกรณีพิเศษที่เกิดแทกขึ้นมาและจำเป็นยิ่งระหว่างที่คณะนายจ้างของเขาพูดจาหารือในหมู่กันเองพรานใหญ่นั่งเงียบกริบเขามีหน้าที่เพียงสะดับฟังและคอยรับคำสั่งเท่านั้นเมื่อชายยานและดาลินพา ก, กันนิ่งไม่ได้แสดงความเห็นทักท้วงโต้แย้งอย่างใดอีกเชษฐาก็หันมาทางเขาเป็นอันว่าตกลงตามนี้เราเริ่มต้นตามรอยไอ้แหวงได้แล้วสำเร็จเมื่อไหร่ก็มุ่งหลมช้างเมื่อนั้น ครับระพินรับคําอย่างสงบถ้างา น, นพรุ่งนี้เราก็เคลื่อนย้ายมุ่งขึ้นป่าหวายเลยคุณมีแผนไว้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้พรานใหญ่ยกมือขึ้นลูปคางอันหนาทึบไปด้วยคราวตาหลีลงเราจะไปตั้งแคมป์หรืออีกในหนึ่งศูนย์กลางที่พักของเราที่ป่าหวายครับหลังจากนั้นก็จะออกตามรอยในรัศมีรอบด้านการตามล่ามันเราจะไปกันเพียงเฉพาะผู้ที่ล่ามันเท่านั้น ส่วนใหญ่ให้พักรอกันอยู่ที่แคมป์หรือถ้าการตามต้องอาศัยเวลานานก็อาจให้ขบวนเดินคืบหน้าต่อไปมุ่งหลมช้างพลางๆเพื่อจะได้มิเสีเวลาภายหลังจากที่เราล่ามันสําเร็จแล้วเราค่อยตามหลังไปพบกันที่โน่นรายละเอียดจะมีอย่างไรค่อยไปวางแผนกันอีกทีแล้วแต่ภูมิประเทศและเหตุการณ์หัวหน้าคณะเดินทางพยักหน้าชายยันก็ร้องถามมาว่าแล้วเรื่องกระทิงตัวที่ชั้นยิงไว้นั่นล่ะจะทิ้งเปล่าให้เป็นเหยื่อเสืองั้นเลย ไกลสักขนาดไหนที่กระทิงตัวนั้นถูกยิงล้มเชษฐาถามพรานใหญ่ถ้าเดินอย่างพรานผู้ชำนาญลัดทางให้ตรงเป้าหมายเลยระยะเวลาเดินก็เห็นจะอยู่ในราว 3-4 ชั่วโมงจากนี่ครับถ้าเราจะเอาเนื้อกระทิงตัวนั้นก็แปลว่าคุณจะต้องนำลูกหาบย้อนกลับไปที่นั่นอีกครั้งไม่จำเป็นหรอกครับพรานของผมคนไหนก็ไปแทนได้ทั้งสิน้นถ้าผมบอกที่หมายละเอียดแจ่มชัดแก่เขา ถ้างั้นเอาอย่างนี้พรุ่งนี้คุณส่งพรานของคุณคนใดคนหนึ่งพร้อมลูกหาและเกวียนไปเอาเนื้อกระทิงมาสิก่อนเราจะหยุดพักกันที่นี่อีกคืนหนึ่งดีเหมือนกันคุณเองก็บาดเจ็บอยู่จะได้มีโอกาสพักผ่อนเสี้ยหนึ่งวันบารืนเราค่อยเคลื่อนย้ายเรื่องบาดเจ็บของผมนะ่ะไม่เท่าไหรหรอกครับถึงจะเดินทางกันพรุ่งนี้ก็ได้แต่ถ้าคิดจะส่งเกวียนไปเอากระทิงตัวนั้นจะพักอยู่อีกสักคืนหนึ่งก็ดีเหมือนกันเมื่อส่งเกวียนไปแล้วก็ควรจะเก็บหนังเสือมาด้วย สามตัวนอนตายอยู่ใกล้ๆกับซากระทิงนั่นแหละสองตัวผมยิงได้อีกตัวกระทิงตัวนั้นขยี้กว่าผู้ที่ส่งให้ไปเอาจะไปถึงเนื้อมีเน่าเสีย ก, ก่อนหรือหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินพูดขึ้นเปืย์เปย์ระพินตอบว่าทิ้งไว้ประมาณสิบกว่าชั่วโมงอย่างนี้ดูจากลักษณะภายนอกก็จะเห็นเพียงพองอืดอย่างนั้นเองนะครับเครื่องในมันจะเน่าก่อน แต่เนื้อยังไม่เป็นไรเราจะให้พวกนั้นชำระเอามาแต่เนื้อถ้าแล่เนื้อออกมาแล้วเนื้อก็ยังพอสดอยู่ได้จนถึงเวลาที่พวกนั้นกลับมาถึงที่นี่หรือถ้าเห็นท่าไม่ดีพวกนั้นจจัด ก, การย่างรมควันไว้ก่อนที่จะลำเลียงมาเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยละพินก็ผละออกมาจากเต็นท์ของนายจ้างเชษฐาพยายามจะรั้งให้เขานอนพักอยู่ที่เตียงสนามภายในเต็นท์อีกครั้งหนึ่งโดยอ้างว่าเขายังบาดเจ็บอยู่แต่พรานใหญ่ปฏิเสธโดยสุภาพ บอกว่าเขามีธุระที่จะต้องออกไปสั่งงานกับคนของเขาที่กำลังรอคอยอยู่เบื้องนอกพอร่างเปลี่ยวกแกร่งนั้นลับกระโจมออกไปชายยันก็ลุกขึ้นนั่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมนอนอย่างละเอียดเพียแรงยิ่งร่วมชีวิตกันนานวันออกไปฉันก็รักน้ำใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเขาเพิ่มขึ้นทุกขณะคุณอัมพลเลือกคนนำทางให้เราไม่ผิดเลยเชิดาชายยันเอ่ยขึ้นเบา แกเพิ่งจะรู้ชัดเอาอีตอนตามรอยกระทิงร่วมกับเขานี่นะหรือสำหรับฉันรู้สึกมานานแล้วคนคนนี้จะเป็นมิตรที่หาได้ยากที่สุดสำหรับมิตรแต่ก็จะเป็นคู่ปรับที่ร้ายกาจเกินเชื่อทีเดียวสำหรับคู่ปรับดาลินพูดพรงสอดมาแล้วหล่อนก็เข้านอนแง่าสายนั่งเป็นเงาตะคุ่มอยู่ที่ขอนไม้ดิมกองไฟเหมือนเช่นทุกครั้งที่เคยเห็น ทันทีที่รพินโผพ้นออกมาจากกระโจมของนายจ้างร่างใหญ่โตโงดงามราวกับตุ๊กตาสลักด้วยทองแดงนั้นอยู่ในอาการดุสดียภาพตาจ้องอยู่ที่เปลวไฟในกองกอดเขา่า